จากเทคโนโลยีฝรั่งได้ความใยรู้สู้สิ่งยากเป็นอนว่าเรื่องนี้มีความหมายมากเพราะชี้สภาพสังคมหลายอย่างและที่ลึกลงไปอีกก็คือเป็นเครื่องชี้ถึงสภาพทางวัฒนธรรมที่อยู่เบื้องหลังและเป็นภูมิหลังแสดงถึงสภาพวัฒนธรรมไทยที่อ่อนซึ่งจะทำให้คนไทยไม่พร้อมที่จะอยู่อย่างดี และก้าวไปด้วยดีในสภาพปัจจุบันที่เขาเรียกว่าโลกาพิวัตจะขอยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนไทยเรามีสภาพวัฒนธรรมอ่อนมีจิตใจอ่อนแล้วก็จะโน้มไปสู่ความเป็นผู้เห็นแก่ง่ายอย่างไรเห็นแก่ง่ายนี้ถ้าใช้คาแรงเขาเรียกว่ามักง่ายถ้าพูดว่าคนไทยเราจักจะมีนิสัยมักง่าย ก็ขออภัยจะกลายเป็นการมาด่ากันเองมากแต่ถ้าการด่าว่าติเตียนกันจะทำให้เกิดคุณค่าเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงอย่างน้อยทำให้ไม่ประมาทก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีคนไทยเรานี้มีสภาพวัฒนธรรมที่จะทำให้เราเห็นแก่ความสะดวกสบายเมื่อเห็นแก่ความสะดวกสบายก็โน้มไปสู่การที่จะเอาแต่สิ่งที่ง่าย จะคอยกตัวอย่างสิ่งหนึ่งที่จะช่วยชี้ให้เห็นสภาพนี้เช่นการรับและความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีเทคโนโลยีเป็นสภาพโลกาพิวัตอย่างหนึ่งคือครองโลกครอบงำโลกมีทั่วโลกฝรั่งก็มีไทยก็มีแต่คนไทยกับเทคโนโลยีสัมพันธ์กันอย่างหนึ่งฝรั่งกับเทคโนโลยีสัมพันธ์กันอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกัน ถ้าเราเจาะ อ, อันนี้ได้เราจะเห็นจุดว่าเราจะต้องแก้ไขปรับปรุงสังคมของเราอย่างไรเอาแค่เปรียบเทียบว่าเทคโนโลยีมีขึ้นในสังคมฝรัง่งกับเทคโนโลยีมาในสังคมไทยต่างกันอย่างไรขอไปดูสังคมฝรั่งก่อนเทคโนโลยีเกิดขึ้นในสังคมฝรั่งอย่างไรเบื้องตน้นพูดได้ง่ายๆว่า เทคโนโลยีเกิดขึ้นในสังคมฝรัง่งโดยเป็นผลผลิตแห่งการสร้างสรรค์ของเขาเองหมายความว่าฝรั่งเขาเป็นผู้ผลิตสร้างสรรค์เทคโนโลยีขึ้นมาด้วยความเพียรพยายามของตนเองเทคโนโลยีเกิดจากน้ำมือของเขาทำขึ้นมาแต่ไม่ใช่แค่นั้นมันส่องแสดงความหมายอะไรต่อไปอีกกว่าเขาจะพัฒนาเทคโนโลยีให้เจริญมาถึงบัตรนี้ได้นั้น มันผ่านภูมิหลังของการเพียรพยายามมาตลอดการเวลายาวนานเป็นร้อยร้อยปีในภูมิหลังที่ผ่านมาเป็นร้อยปีนั้นอะไรเป็นปัจจัยทำให้เกิดเทคโนโลยีเราพูดว่าเทคโนโลยีคู่กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนามาถึงปัจจุบันนี้อาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์เมื่อวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้ามา ก็ทำให้สามารถสร้างสารร์พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆให้เจริญตามขึ้นมาได้เมื่อสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาได้เทคโนโลยีเหล่านั้นก็กลับไปช่วยพัฒนาการค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีกเหมือนอย่างว่าเราเรียนรู้ดาราศาสตร์เมื่อมองดูดวงดาวด้วยตาเปล่าเราก็เห็นเรารู้อยู่ในขอบเขตหนึ่ง พอเราผลิตกล้องดูดาวขึ้นมาก็ทำให้เรามีเทคโนโลยีที่ช่วยให้หาความรู้ดาราศาสตร์ได้ละเอียดละออและไกลออกไปอย่างนี้เป็นต้นวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีจึงพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่รวมความว่าเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นมาจนถึงปัจจุบันของฝรั่งนั้นเกิดจากฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่จะนำมาใช้สร้างเทคโนโลยีในขณะ น, นี้ต้องพัฒนามาตลอดเวลานานเป็นร้อยร้อยปีวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นได้โดยอาศัยจิตใจคนที่มีความใฝ่รู้และมีเหตุมีผลไม่เชื่อง่ายๆชอบพิสูจน์ทดลองมีวิจารณญาณใช้เหตุผลอยู่เสมอกว่าฝรั่งจะได้ความรู้วิทยาศาสตร์มาสร้างเทคโนโลยีได้ขนาดนี้นั้น เขาใช้เวลาพัฒนาวิทยาศาสตร์มานานเป็นร้อยปีอย่างที่ว่าเมื่อกี้และตลอดเวลายาวนานนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือนิสัยใจคอที่ใฝ่รู้นิยมเหตุผลนั้นได้ฝังลึกลงไปในจิตใจของเขาจนกระทั่งเป็นสภาพจิตประจำตัวพอเป็นสภาพจิตไปแล้วก็กลายเป็นว่า เวลานี้ฝรั่งมีสิ่งหนึ่งที่เป็นภูมิหลังในการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีซึ่งมาจากวิทยาศาสตร์ที่กลายเป็นวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ก็คือสิ่งที่เรียกง่ายๆว่าความใฝ่รู้ฝรั่งได้สภาพจิตนี้มาซึ่งจะแสดงให้เห็นชัดในนิสัยใจคอของเขาเรื่องไม่ใช่แค่นั้นการที่เทคโนโลยีจเจริญพัฒนามาได้อย่างนี้นั้น ยังต้องอาศัยปัจจัยอีกอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในภูมิหลังในสังคมของเขาปัจจัยตัวนี้คืออุตสาหกรรมความรู้วิทยาศาสตร์นั้นคู่กันมากับการสร้างสารรค์อุตสาหกรรมพอเรามีความรู้วิทยาศาสตร์มาสร้างเทคโนโลยีแล้วก็อเอาเทคโนโลยีไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นเครื่องมือของอุตสาหกรรมเมื่อ อ, อุตสาหกรรมเจริญ ก็จึงพัฒนาเทคโนโลยีให้เจริญยิ่งขึ้นได้อุตสาหากรรมนั้นเกิดจากการเพียรพยายามที่จะแก้ไขปัญหาความร้นแค้นความขาดแคลนฝรั่งเดือดร้อนต้องสู้กับภัยธรรมชาติเช่นหนาวเย็นขั้นจะเป็นจะตายขาดแคลนอาหารเป็นอยู่ยากลำบากในฤดูหนาวเขามีความมุ่งหวังว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหากรรม จะทำให้เขามั่งคั่งพรั่งพร้อมเขาจึงสู้กับความยากลำบากสู้กับอุปสรรคสู้กับปัญหาเพียรพยายามสร้างอุตสาหกรรมขึ้นมาจนเจริญได้อุตสาหกรรมแปลว่าการกระทาด้วยความอุตสาหะคือความขยันหมั่นเพียรแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า industry ซึ่งแปลว่า ความขยันหมั่นเพียรคืออุตสาหะนั่นเองเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมนี้เนื้อตัวของมันก็คือความขยันหมั่นเพียรถ้าแปลาตามภาษาของเราก็ว่าความหึดสู้คนที่พัฒนาอุตสาหกรรมมาได้แต่เดิมต้องเป็นคนหึดสู้มีความเพียรพยายามอุตสาหกรรมจึงสาเร็จจนกระทั่งพัฒนาเทคโนโลยีใเจริญก้าวหน้ามาถึงบัดนี้ จากการที่ฝรั่งได้พัฒนาเทคโนโลยีคู่กันมากับอุตสาหกรรมคือใช้เทคโนโลยีสร้างอุตสาหกรรมและใช้อุตสาหกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเขาก็เกิดวัฒนธรรมอุตสาหกรรมขึ้นมาวัฒนธรรมอุตสาหกรรมนี้ถึงจะมีส่วนเสียส่วนเลวบางอย่างแต่ส่วนดีของมันก็คือทําให้คนมีความขยันหมั่นเพียรมีนิสัยสู้สิ่งยากเกิดขึ้น ซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ฝรั่งได้มาจากภูมิหลังของเขาเป็นอันว่าจากภูมิหลังในการพัฒนาเทคโนโลยีมาเป็นร้อยปีด้วยความเป็นผู้ผลิตนี้ฝรั่งได้สภาพจิตติด ต, ตัวมาสองอย่างคือสภาพจิตแห่งความใฝ่รู้จากวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และความสู้สิ่งยากจากวัฒนธรรมอุตสาหกรรม แม้ว่าปัจจุบันนี้สังคมอเมริกันจะเปลี่ยนมาเป็นสังคมบริโภคฟุ่มเฟือยขึ้นพรั่งพร้อมขึ้นจนกระทั่งคนรุ่นใหม่ชักเสียนิสัยเสื่อมถอยจากความขยันหมั่นเพียรเป็นเหตุให้คนรุ่นเก่าของเขาติดเตียนคนรุ่นใหม่ของฝรั่งด้วยกันว่าคนอเมริกันในปัจจุบันนี้ไม่มีนิสัยรักการทำงานหยิบโยงสารวยเป็นทางแห่งความเสื่อม แต่ถึงอย่างไรก็ตามสภาพจิตและนิสัยที่เขาสะสมมาเป็นเวลาร้อยปีซึ่งฝังลึกแล้วก็ยังเป็นทุนที่เขาใช้ได้ต่อไปเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในสังคมฝรั่งเป็นมาอย่างนี้มันไม่ได้มา ล, ลอยๆมันเกิดจากการเพียรพยายามคิดค้นคว้าสร้างสรรค์ของเขาซึ่งได้ทำให้เกิดสภาพจิตอย่างนี้ขึ้นมาฝรั่งจึงไม่ใช่ได้แต่เทคโนโลยีเท่านั้น แต่ได้จิตใจที่ไฝ่รู้สู้สิ่งยากติดมาด้วยและทุนทางสภาพจิตใจนี้สำคัญมากในการที่จะมาสร้างความเจริญพัฒนาในยุคปัจจุบันจากเทคโนโลยีไทยได้ความสบายยิ่งไม่ต้องทำอะไร ทีนี้หันมาดูประเทศไทยว่าสังคมของเราเป็นอย่างไรสังคมไทยของเราเมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็นสังคมที่ไม่ได้มีภูมิหลังในการผลิตสร้างสารรค์เทคโนโลยีเองแต่อยู่ๆเราก็เจอกับเทคโนโลยีแบบสําเร็จรูปมาแล้วเลยแต่ก่อนที่จะเจอกับเทคโนโลยีสําเร็จรูปนั้นสังคมไทยเราเป็นอย่างไรสังคมไทยเป็นสังคมที่เรียกว่า ในน้ำมีปลาในนามีข้าวอยู่แสนสุขสบายมีความอุดมสมบูรณ์ชาวไทยมีความสุขมีความสะดวกสบายอย่างนี้มาตลอดไม่ต้องสู้สิ่งยากต่อมาเมื่อร้อยกว่าปีนี้เราเจอกับฝรั่งที่เข้ามาฝรั่งเข้ามาพร้อมด้วยเทคโนโลยีเทคโนโลยีจำพวกที่เข้ามากับฝรั่งแบบสาเร็จรูปนี้เป็นเทคโนโลยีประเภทบริโภค ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายหนุนความฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อสุขสมราญยิ่งขึ้นคนไทยสุขสบายอยู่แล้วอยู่ๆก็ามาเจอเทคโนโลยีสำเร็จรูปเข้ามาเสริมความสะดวกสบายยิ่งขึ้นอีกตอนนี้ยิ่งสบายใหญ่แต่ก่อนก็อยู่สบายในนาำมีปลาในนามีข้าวอยู่แล้วตอนนี้เจอสิ่งผลิตต่างๆที่จะบริโภคเช่นรถยนต์ทีวีตู้เย็น มีแต่เครื่องบำรุงบำเรอทำให้เกิดความสะดวกสบายแก่ชีวิตเป็นซ้ำสองนี่เป็นข้อได้เปรียบของคนไทยคือเรามีชีวิตที่แสนจะสะดวกสบายทุกขั้นตอนทั้งภูมิหลังในชีวิตเกษตรกรรมท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและในการที่มาเจอเทคโนโลยีสำเร็จรูปแบบบริโภคเข้าอีกแต่ถ้าคิดอีกที อันนี้กลับเป็นการเสียเปรียบความเสียเปรียบก็คือเรามีแต่ความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีแบบผู้บริโภคขาดความสัมพันธ์แบบผู้ผลิตเราไม่ได้ผ่านภูมิหลังที่จะได้สร้างนิสัยใจคอที่ว่าไยรู้โู่สิ่งยากนั้นขึ้นมาเลยถ้าเราอยู่สบายจนเคยตัวแล้วกลายเป็นคนที่เห็นแก่ความสะดวกสบายชอบแต่บริโภคไม่ชอบผลิต มองความหมายของความเจริญแบบนักบริโภคไม่มองแบบนักผลิตอย่างนี้เราจะเป็นคนอ่อนแอเพราะฉะนั้นจะต้องระวังตัวไว้ให้ดีเมื่อเรามีสภาพจิตใจแบบนี้ขึ้นมาจากภูมิหลังแห่งความสะดวกสบายในน้ำมีปลาในนามีข้าวและความสะดวกสบายที่เทคโนโลยีแบบบริโภคมาเสริมเข้าไปอีกอย่างนี้ก็นับว่าเป็นความอ่อนแออยู่แล้ว ยิ่งกว่านั้นคนไทยที่ชอบสะดวกสบายนั้นพอมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขแทนที่จะหันไปเผชิญสู้และพยายามคิดแก้ไขทาให้สาเร็จเองก็ไม่เอาเมื่อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อ้อนวอนก็เลยหันไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยทำให้นี่ก็กลายเป็นระบบถ่ายโอนภาระคือตัวเองไม่อยากรับภาระไม่รับผิด ช, ชอบก็โยนภาระรับผิด ช, ชอบนั้น ไปให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านทําให้แทนเรียกว่าโยนปัญหาไปให้เทวดาช่วยแก้ถ้าไม่ถ่ายโอนโยนภาระไปเลยก็ใช้วิธีหลบเลี่ยงไปหาสิ่งกล่อมเจอปัญหาไม่สู้เจอสิ่งที่ยากก็หลบหันไปหาสิ่งกล่อมเพื่อจะช่วยให้ลืมความทุกข์ความยากไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งหรือให้เพลินเพลินผ่านเวลาไปหรือไม่ก็กล่อมใจด้วยความหวังลาบลอย เพราะฉะนั้นสุราและการพนันเป็นต้นจึงแพร่หลายดา ด, ดืนจนจะครอบงำสังคมของเราเพราะคนคอยหลบเลี่ยงปัญหาและสิ่งยากไปหาสิ่งกล่อมถ้าอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยก็ตอบได้เลยว่าเราจะกลายเป็นสังคมที่เห็นแก่ง่ายจะเอาแต่ง่ายๆไม่สู้สิ่งยากแล้วก็จะพัฒนาลำบาก ซึ่งขัดกับคำสอนในพระพุทธศาสนาที่ให้มุ่งหวังผลสำเร็จจากการกระทาด้วยความเพียรพยายามคือกรรมวาทะวิริยะวาทะและให้ฝึกฝนพัฒนาตนเองแก้ไขปรับปรุงตนเองอยู่เสมอตามหลักตรายสิกขาหลักการเหล่านี้เวลานี้เราแทบจะไม่มีเหลือเลยการประพฤติปฏิบัติและความเชื่อของคนไทย หัดกันหมดกับหลักธรรมและผิดเพี้ยนออกไปจากพระพุทธศาสนาถ้ามีสตินึกขึ้นมาและหยุดคิดสักนิดยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาตรวจสอบกับหลักการแม้แต่ขั้นต้นๆของพระพุทธศาสนาก็จะมองเห็นชัดเจนว่าชาวพุทธไทยเราได้ผิดเพี้ยนกันไปอย่างไรไม่ต้องเอาหลักการใหญ่อะไร แต่เพียงหลักคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาอะไรเป็นมาตรฐานวัดความเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาที่ดีมีคุณสมบัติพื้นฐานอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสแสดงหลักธรรมพื้นฐานไว้หมวดหนึ่งเรียกว่าอุบาสกธรรมหรือองค์คุณของอุบาสกอุบาสิกาหประการคือหนึ่งมีศรัทธาเชื่อมีเหตุผล มันในคุณพระรัตนไตรัย 2. มีศีลอย่างน้อยดำรงตนได้ในศีลห้ า, ามไม่ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลมุ่งหวังผลจากการกระทำไม่ใช่จากโชคลางหรือสิ่งที่ตื่นกันไปว่าขลังศักดิกกก์สิทธิ์ส ไม่สแสวงหาทักขินัยนอกหลักคำสอนนี้หาเอาใจใส่ทนุบำรุงและช่วยกิจการพระพุทธศาสนาผู้ใดมีธรรมห้าประการนี้พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นอุบาสครัฐอุบาสิการัฐเป็นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเป็นอุบาสกอุบาสิกาปทุมเป็นอุบาสกอุบาสิกาบุญตริก ในทางตรงข้ามถ้าขาดคุณสมบัติเหล่านี้ก็เป็นความวิปริตผิดเพี้ยนโดยเฉพาะที่ตรงกับเรื่องที่กำลังพิจารณาก็คือข้อที่สว่าตื่นข่าวมงคลคือถือโชคลางตื่นข่าวเรื่องคลังศักดิ์สิทธิ์หวังผลจากโชคลางของขลังศักดิ์สิทธิ์ไม่หวังผลจากการกระทำคือไม่หวังผลจากกรรม ถ้าอุบาสกอุบาสิกาผู้ใดเป็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาจันทานเป็นอุบาสกอุบาสิกาเลเทอะเป็นอุปาสกาปฏิกิจฐะคือเป็นอุบาสกอุบาสิกากระจอบที่ว่าอย่างนี้ไม่ใช่พูดเอาใหม่แต่เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าเองจะว่าตรัสไว้แรงก็ได้แต่ต้องถือเป็นคาเตือนเพื่อให้เราอยู่ในหลักการของพระศาสนา และก้าวหน้าต่อไปไม่ใช่ถอยอยู่เรื่อยเข้ามาสู่พระศาสนานานเท่าไรก็อยู่เท่านั้นเวลาผ่านไปก็ไม่พัฒนาชีวิตหนึ่งไม่นานเท่าไรเดี๋ยวหมดเวลาจะไม่ได้อะไรที่จะทำให้ชีวิตดีงามสว่างสงบเป็นอิสระเป็นสุขแท้ที่ปราณีตและเข้าถึงธรรมมองดูตามสภาพที่เป็นอยู่ขณะนี้จะเห็นว่า คนที่เรียกว่าเป็นชาวพุทธหรือพุทธศาสนิกชนเป็นกันอย่างนี้มากถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเราหาชาวพุทธที่แท้ได้ยากนี่เป็นเพียงคุณสมบัติพื้นฐานอาจจะต้องถามกันว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาเมืองไทยนับจากสุขโขทัยเกิน700รปีแล้วยิงทะนับจากพระเจ้าอาโศกมาก็มากกว่า 2,300 ปีแม้แต่หลักธรรมเบื้องต้น แค่คุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธเรายังทำไม่ได้ยังพัฒนาคนไม่สำเร็จยังไม่เข้าถึงกันเลยหรือคงไม่ถึงอย่างนั้นอาจเป็นไปได้ว่าคนไทยเราพยายามเข้าถึงพระพุทธศาสนาเรื่อยมาเป็นแต่ว่าเราเดินหน้าถอยหลังกันอยู่เรื่อยๆเป็นยุคเป็นสมัยแต่เฉพาะยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องยอมรับว่าเราเพี้ยนมากแล้ว ถ้าไม่ใช้คำว่าวิปริตทำไมจึงเป็นเช่นนี้ก็เพราะเราไม่รู้แม้แต่หลักธรรมพื้นฐานไม่เข้าใจหรือถึงกับเข้าใจผิดไปเลยเราไม่เอาใจใส่ที่จะเรียนรู้และที่จะบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนกันด้านหนึ่งก็เพราะไปมูเอาใจใส่กับความสัมพันธ์ในระบบผลประโยชน์ทางพระท่านถือว่าถ้าผิดจากหลักกรรมเมื่อไร ก็หล่นจากพระพุทธศาสนาถ้าความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศยศาสตร์นั้นทำให้เราไม่เพียรพยายามกระทำการด้วยตนเองก็ถือว่าผิดจากหลักกรรมแล้วเวลานี้จึงนับว่าสังคมไทยอยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วงคนไทยอยู่กันด้วยอะไรแน่อยู่ด้วยพระพุทธศาสนาหรืออยู่ด้วยสิ่งนอกพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นจึงนำมาเป็นข้อเสนอพิจารณาให้เราช่วยกันคิดว่าเราจะต้องแก้ไขอะไรกันบ้างตอนนี้เป็นการเสนอไว้เป็นข้อสำหรับเตือนสติให้มาช่วยกันฉุกคิดพิจารณาก่อนแต่ถ้าพูดยาวเกินไปก็อาจจะทำให้สมองเมื่อยเหนื่อยเกินไปก็จะไม่ดีเหมือนกัน